วันนี้จะอธิบายเรื่องจริตต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้อธิบายมาถึงโมหะจริตวันนี้ก็อธิบายเรื่องศรัทธาจริตต่อบางคนก็เชื่อง่ายงมงายเชื่อโดยไม่มีเหตุผล เชื่อโดยเคยได้ถือตามๆกันมาก็มีเชื่อโดยเล่าลือกันมาก็มีอ่าพอข่าวลืออย่างนั้นอย่างนี้มาก็เชื่อว่าเป็นความจริงเลยนี่แล้วก็เชื่อผู้พูดว่าผู้นี้ควรเชื่อได้เห็นผู้นี้พูดออกควาแล้ว ก็เชื่อไปเลยเพราะเชื่อคนผู้พูดนั้นบางทีคนผู้ที่พูดนั้นอาจจะมีความเห็นผิดอยู่ก็ได้แต่ตัวเองไม่รู้ก็เลยเชื่อเขาไปอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีชื่อว่า ในชาติน น, น้ะชื่อว่านาฏะได้ออกบวชเป็นลือศีสำเร็จฌานอภิญญาโลกีหเหาะเฮินเดินอากาศได้นู่นนะบัดนี้ก็ น, น่ด้วยอนุภาพแห่งฌานของพลฤษีนี่ ไปทำให้แท่บนบรรดุกรรมพลศิลาอาศของพยาอินกระเทือนพยาอินพิจารณาดูแลเห็นว่าพระฤาษีองค์นี้มีอนุภาพมากถ้าว่าเพื่อนหมดอายุสังขารแล้วก็เห็นจะต้องมาแย่งบัลลังก์ของเรา พระยินเลยหาอุบายบนี้ที่จะทำลายฌานสมาบัติของนรธะฤสีนั้ น, น, นก็เลยมาแสดงจนให้ปรากฏในใ ห, ให้พระเจ้าแผ่นดินเมืองพารณาณสีนั้นได้รู้ว่าพระอินลงมาหาแล้วพระอินก็ ถามพระราชานั้นว่าพระองค์อยากเป็นผู้วิเศษไหมออยากเป็นผู้มีอายุยืนไหมโอ้กก็อยากสีสิถ้าอยากเป็นผู้วิเศษอยากมีอายุยืนอยากเป็นผู้มีอํานาจอย่างนั้นนะอให้พระองค์เอาไว้ ให้คนนำเอาลูกสาวของพระ อ, องคนะ์ไปมอบให้แก่พระฤาษีแล้วให้จัดทำพิ ธ, ธีบวงสวงเท พ, พเจ้าขึ้นโดยฆ่าสัตว์ร้อยชนิดบูชายันแล้วพระ อ, องค์จะได้สงความปรารถนา พระราชาไปเชื่อพญายินนั่นก็เลยแต่งให้ประดับประดาลูกสาวให้เต็มที่เลยบรเดียววนันนี้ก็ให้อธิษฐานคนหนึ่งนำลูกสาวนั้นไปไปแล้วก็ไปแสดงตัวให้พระฤาษีได้เห็นแล้วก็กล่าวว่าอันพระราชา ให้ให้ข้าพเจ้านำลูกสาวของพระองค์มาหากว่าท่านมีความประสงค์กับนางคนนี้แล้วข้าพเจ้าจะมอบให้แต่ว่าก็ให้มีกติกาสัญญากันก่อนว่าท่านจะต้องรับไปทำพิธีฆ่าสัตว์บูชายัน ให้แก่พระราชาแล้วพระราชานั้นจะได้มอบลูกสาวนี้ให้เป็นภรรยาของท่านเมื่อพระฤาษีได้เห็นลูกสาวของพระราชาแต่งตัวเต็มยศสวยงามหยดย้อยอย่างนั้นก็เกิดความรักให้หลงไหลไปเลยชานก็เลยเสื่อมมันนี้ก็รับคำอามาด อ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปข้าสัตว์บูชายันถวายพระราชาเรือยีก็เลยตามอมานั้นเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองบันิก็พระราชาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่จับช้างจับม้ามาจับปัวจับควายมาจับสัตว์ แพะแกะไก่เป็ดอะไรไม่รู้เอามาถึงจำนวนร้อยชนิดเอามาผูกมัดไว้เพื่อให้พฤิษีฆ่าบูชายันมาในเริ่มต้นที่จะไปฆ่าช้างก่อนบะนี้พองเงือดาบขึ้นจะฟันช้างช้างมันก็ร้องอย่างแรงเลยบะนี้มันกลัวตาย ครูศีก็ตกใจมีสติระลึกได้ป่ะนี่โอ้สัตว์ทั้งหลายนี่มันก็กลัวตายเนาะเราก็กลัวตายเหมือนกันอ้าวทำไมจะมาฆ่าสัตว์อย่างนี้อะพอระลึกได้เลยก็เลยวางดาบเลยวันนี้ไม่เอาแล้ววางดาบแล้ววันนี้ก็ไปยืนอยู่ในที่แจ้งกำหนดกสินชาญ แห่งกสิณชานอยู่สักครู่หนึ่งก็เลยได้บรรลุฌานโลกีตามเดิมพอบรรลุฌานโลกีล้วก็เลยเหาะขึ้นบนอากาศให้โอวาดแก่ชาวเมืองและพระราชา ว, ว่าเมื่อทั ก, กีีนั้นเข้าพเจ้าหลงไหลด้วยอำนาจของกีเลตันหาเกือบได้ทำบาปกรรมมันชั่วช้าลามก วันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวแล้วต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจากไม่ทําอย่างนั้นอีกขอให้พวกท่านทั้งหลายก็จงละเว้นงดเล้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอว่าแล้วพลุสีก็เลยเห้าไปสู่ป่าหินมพานเป็นที่พักของตอนต่อไปอันที่ยกเรื่องนี้มาแสดงสู่กันฟังนี่แหละเรื่องเรื่องความเชื่อนี่นะ เล่นหมายของว่าพระราชานไปเชื่อเทวดาที่มากระชิบบอกเรื่องบูชายัญเรื่องความยิ่งใหญ่อะไรต่ออะไรนั้นอนะืพระราชาเนี่ยเชื่อว่าจะได้อย่างนั้นแท้ๆเพราะเทวดามาบอกอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นความจริงอย่างนี้แหละก็เชื่อไปเลยอืโดยไม่ได้พิจารณาเหตุผลโดยปัญญา ตัวการไปฆ่าสัตว์นั่นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วมันจะไปเป็นมงคลมาจากไหนสัตว์ทั้งหลายนะั่นอยู่ดีๆ้วจับมันไปฆ่ามันก็กลัวตายอย่างนี้นะนก็ไปฆ่าสัตว์มากๆเพราะนั้นบาปกรรมมันครอบงําเอาอย่างนี้แล้วอันพระราชาเนี่ยนะอันบาปที่พระฤาษีทำนั้นมันจะไปอํานวยความสุขความเจริญให้แก่พระราชาเนั่นนะ จะเป็นไปได้ที่ไหนลองคิดดูแล้ววันนี้การฆ่าสัตว์บูชาเทวดาอินพรหมอย่างนี้นะมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเทวดานั้นก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่ก็รักษาศีลห้าบริสุทธิ์แล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาต่างๆนี่เมื่อเว้นจากการทำบาปหาอย่างนี้แล้วนะตายแล้วถึงได้ไปเกิดสวรรค์แล้วทนาจะมายินดีกับบุคคลที่ฆ่าสัตว์แล้วเอาเผาไฟบูชา เ, เทวดานะั้นเทวดาจะไปยินดีด้วยยังไงฮนะตั้งแต่เป็นมนุษย์เพื่อนกลระเว้นแล้วนะี่นั้น นี่มันไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไข้ควรเลย <c oughs> แม่เท้ามหาพรหมยิ่งแล้วใหญ่เลยพรหมนั้นยิ่งเป็นผู้มีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจมีความเมตตาเอ็นดูสงสารสัตว์โลกหาประมาณไม่ได้เลยแล้วไหนจะไปยินดีให้คนฆ่าสัตว์มาบูชาแม่แต่พวกเทวดาชั้นต่ำ หมูนี่ก็เหมือนกันเนี้ย่ย เ, เพื่อนก็มีศีลแล้วตายแล้วจึงได้เกิดไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำนี้ถ้าไม่มีศีลแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเลยแม้จะเป็นลูกข้าเทวดาก็ตามอลูกข้าเทวดาเช่นอย่างคนใช้ของเศรษฐีนั่นคนใช้ของอนาถาบินดิกะมห AH าเศรษฐีนั่น เพื่อนรักษาอโอวสตริ น, นี้เพียงครึ่งวันเท่านั้นหนึ่งไม่ยอมรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ยอมรับประทานยาน้าปานะอะไรพวกนี้แม้จะเจ็บปวดในท้องอย่างรุนแรงอย่างไรเศรษฐีเอาน้าปานะไปให้ดื่มบอกว่าไม่ผิดศีลก็ไม่ยอมดื่มตายลงไปก็ยังไปเกิดเป็นลูกขาดเทวดา นี่แหละเรื่องอนนี้สงสิงนี่เมื่อเพื่อนมีจิตเจตนาวิรัติละเว้นการเบียดเบียนสัดจะเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้อไปเป็นเทวดาแล้วจะไปยินดีอะไรเรื่องเครื่องเส้นเครื่องวงสวงอั น, นั้นมันเป็นความหลงของมนุษย์ต่างหากที่เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเขาเรียกว่าเชื่องมงายเชื่อปราศจากเหตุผลปราศจากปัญญาเพราะฉะนั้น ท่านผู้ได้สะดับรับฟังเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วควรจาเอาไว้เป็นคติสอนใจของตนเองอย่าให้เป็นคนเชื่อง่ายงมงายเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรต่ออะไรมาแล้วเราต้องกำหนดเอาไปพิ่จารณาตรีตองในใจให้รู้เรื่องนั้นโดยแจมแจ้งพร้อมทั้งเหตุทั้งผลเสียก่อน แต่ถ้าตนพิจารณายังไม่เห็นแจมแจ้งได้ก็ต้องไปไทยถามท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็จะได้ชี้แจงให้ฟังโดยแจมแจ้งจนสิ้นสงสัยว่าเรื่องนั้นนะ่ะควรเชื่อได้ก็เชื่อไปวันนี้เนาะเมื่อเห็นเหตุผลโดยแจมแจ้งแล้วถ้าท่านผู้รู้ทั้งหลายชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่ควรเชื่อไม่เป็นมงคล ถ้าผูใ้ใดเชื่อตามเรื่องอย่างนี้นี่เป็นอภปมงคลพื้นทำตามไปนี่ก็จะมีแต่ทางเสื่อมทางเจริญไม่มีก็ไม่เชื่ออย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ไม่เชื่ออย่างงมงายเชื่ออย่างมีเหตุมีผลอันหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าวิตกจริต คนบางคนชอบคิดมากพอจับเรื่องราวอะไรได้เท่านั้นแหละเอาไปวิตกวิจารอยู่นั่นแหละเรื่องที่ไม่ควรคิดก่อคิดเรื่องไม่ควรเสียใจก็ไปเสียใจพขาคิดมากแล้วมันก็เสียใจมากเรื่องที่ไม่ควรยินดีก็ไปยินดีพออกพอใจวิตกวิจารณ์ไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้ยง จิตใจสงบลงไม่ได้เลื่อนลอยไปอยู่นั้นเพราะคิดมากคนวิตกจริตนี่แหละถ้าแก้ไม่ตกก็เลยกลายเป็นวิวกลจริตไปหรือว่ากลายเป็นโรคประสากไปมีอยู่มากมายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายนี่นะวิตกจริตเนี่ยนั่าสำคัญมากทุกคนให้เข้าใจไว้ เมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาอย่างนี้ก็อย่าไปวิตกวิจารณ์ให้มากเกินประมาณนะก็เอากำหนดมาพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ปล่อยวางไปเลยถ้าเป็นเรื่องของผู้อื่นก็ยิ่งแล้วไม่ต้องวินิจฉัย ใ, ให้ยากเรื่องของใครก็ของเรา ใครทํากรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้น่ะไม่จําเป็นต้องไปวิจารเรื่องของคนอื่นให้เสียวเวลานี่กลงรถเว้นไปเลยอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของตนอา้าทําอะไรลงไปแล้วมันผิดหวังแบบนี้มันไม่สมหวังอย่างนี้ก็มาสอนใจของตัวเองไม่ควรที่จะไปวิตกเวียนใ์ให้เกิดความกลุ้มใจอยู่นั้นไปตลอดเวลา อันนั้นท่านเดียว่าคนขาดปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วอย่างนี้เวลาเรื่องอะไรที่มันผิดหวังขึ้นมาเราต้องการอะไรอยากเราทาอะไรอยากให้มันสาเร็จอยากให้มันเป็นไปตามใจหวังแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้แล้วก็ก็อสอนใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างมาแต่ไหน มันก็จำเป็นแต่เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นเรื่องนี้จึงไม่ควรที่จะไปวิตกวิจาร์เศร้าโศกเสียใจอะไรหนักหนาถึงวิตกวิจารเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษจะให้มันดีคืนจะให้มันได้สมหวังตามที่คิดนึก ติดตองอยู่นั่นก็ไม่มีทางนะเพราะว่าสิ่งใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ล่วงมาแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นมาแล้วเราจะกลับเอาไปปรุงแต่งให้มันดีตามใจหวังไม่ได้เลยอันนี้หละจึงมันก็จึงเลยไปถึงอนัตตามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดแล้วจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างมาแต่ไหน ทังแต่อัตภาพร่างกายที่ดวงขีดอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นเวตาใจหวังใครเราจะไปอยากแก่ชราอยากให้ร่างกายนี้ทุดโทรมลงไปต่างๆนานาอย่างนี้นะไม่มีไม่มีใครต้องการเลยแต่แล้วมันก็ไม่ฟังไม่บังคับไม่ได้เลยถึงการเวลาที่มันจะร่วงโรยมันจะแปรผันมันก็แปลไปตามการเวลาอยู่อย่างนั้น เรื่องอะไรสิ่งภายนอกนั่นจะไม่ให้มันรีบัดแปลผันไปตั้งแต่ร่าง ก, กายรักษาประคบประงมมันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมันก็ยังบังคับไม่ได้แล้วนี่เราก็มาหวนมาเอานึกถึงร่างกายนี่แหละเปรียบเทียบกับเรื่องภายนอกเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นอันว่าก็เลยเลยเล ย, เลยมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยวแบนี้นะอัน มันต้องมีวายแย บ, บคายอย่างนี้มันยังแก้ไขความวิตกขวัญใจเสียใจกลุ่มใจในเรื่องที่มันผิดหวังบางสิ่งบางอย่างนั้นลงได้บางคนก็เป็นพุทธทิจริตรู้มากเรียนมากมีความจำได้มากแล้วก็พูดเก่งอย่างนี้ แต่ว่าขาดอุบายปัญญาแบบนี้นะไม่สามารถที่จะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้เพราะขาดปัญญามักจะใช้ความรู้นั้นไปในทางหลอกคนโง่ให้หลงเข้าใจผิดไปแล้วก็ได้เงินได้ทองได้เข้าของจากคนโง่นั้นมาใช้สอยไปโดยอาศัยความรู้ความฉลาดอัน อันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นแหละไปหลอกลวงคนโง่นี่ท่านเรียก ว, ว่าพุท ธ, ธิจริตเป็นผู้มีความรู้มากแต่ไม่สามารถที่จะใช้ความรู้นั้นนำตนให้พ้นจากทุกในโลกสงสารอันนี้ไปได้พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้นำเอาความรู้อันนั้นมาพิจารณากลั่นกรองอีกทีหนึ่ง ว่าความรู้นี่ความรู้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าเอามาเทียบกับมรรคในองแปดนี่เข้ากันไม่ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นทางพ้นทุกนี่มันต้องมีการเปรียบเทียบกันอย่างนี้ <c oughs> ในมรรคแปดอย่างอย่างเช่นว่าสัมมาอาชีวะหรือมิจฉาชีวะ การเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบหนึ่งกรเลี้ยงชีพโดยทางที่ผิดหนึ่งการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมัมกนกะ็ไปหลอกลวงไปหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตอนเนี่ยอันนี้แหละท่านเรียก ว, ว่ามิจฉาชีพมันขัดกับมักสัมมาอาชีวะนั่นแล้วก็ใช่ไม่ได้ผู้ที่มีความรู้มากดังกล่าวมานั้นนะ แล้วต้องเอาความรู้หรือว่าความการกระทำของตนหรือความคิดเห็นของตนมาเทียบกับมักมีองแปดนี้ก่อนถ้าว่าตรงกันแล้วอย่างนี้ก็กจึงค่อยทำไปถ้าไม่ตรงกันแล้วก็ต้องละความรู้อนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องละต้องมาดําเนินตามมักมีองแปดนี้แล้วความรู้ที่ได้เรียนมา มากอย่างนั้นก็เลยกลายจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไปน ะ, ะก็จะนำตนให้พ้นจากบาปจากโทษทุกข์ต่างๆไปได้เพราะว่าตนเรียนรู้อพรมมักมีองค์แปดนี่เป็นทางมัชิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งพระศาสดาทรงสแสดงแก่ เท็กซุมันจะวิธีทั้งห้าเป็นกันแรกเมื่อเป็นเช่นนี้นะพุทธบริษัทควรจะพากันสำบเอียดดูจริตนิสัยของตนว่าตนมีจริตนิสัยอะไรเป็นพื้นฐานมาคือว่าตนมากด้วยจริตอย่างไรนี่ตนเป็นผู้มากด้วยศรัทธาจริตหรืออย่างไร เป็นผู้เชื่อง่ายงมงายหรือหรือว่าไม่ไม่เป็นเช่นนั้นอก็ให้รู้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นตนเชื่ออย่างไรบ้านี้่ก็ต้องเชื่อมีเหตุมีผลแหละโดยอาศัยคําสอนของพระเจ้าเป็นเครื่องเทียบกับเรื่องราวที่บุคคลมาแสดงให้ฟังนั้นนะ่ะว่ามันโกงกับคําสอนของวิเจ้าโกงกับมรรคมีองแปดหรือไม่อ เราต้องอย่าไปลืมมรตมีองแปดเลยประเดี๋ยวฮต้องเรียนรู้ไว้อันนี้เป็นหนทางดับทุกโดยตรงเลยอันมรตมิองแปดประการนี้นะนั่นแหละถ้ามันเข้ากันกับมรตมิองแปดประการได้ก็ควรเชือ่อนี่อย่างนี้แหละความวิตกวิจารณ์ดังกล่าวมานั่นแหละเหมือนกันอนะ่ถ้ากว่าไม่เอามาเทียบกับมรตมีองแปดนี่แล้ว มันจะวิตกวิจารลุกลามไปเลยกลายเป็นคนเห็นผิดเห็นพลาดไปไม่มีหลักไม่มีแหล่งเลยว่านี้นะยับยั้งความคิดของตนไว้ไม่ได้แล้วว่านี้เลยเถิดไปแล้วพูดเช่นนั้นแล้วมักจะสอนไม่ได้เลยครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ได้เนื่องจากว่า มันถือมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองแล้วก็ยับยั้งจิตไม่ได้ทำจิตให้สงบลงไปไม่ได้แล้วก็เชื่อมั่นในความคิดความเห็นของตนเองเพราะฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายก็สอนไม่ได้ผู้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้เช่นนั้นรู้ฝึกตัวเองได้ เห็นว่าตนนั่นเป็นวิตกจริตเป็นคนชอบคิดมากอย่างนี้ตนก็ไม่เชื่อความคิดของตอนว่าจะถูกทุกอย่างไปสมควรที่จะฟังโอวาคําสอนของผู้รู้ทั้งหลายก่อนเมื่อท่านแนะนาอย่างไรแล้วเราจงสมควรปฏิบัติไปตามนั้นไม่ควรที่จะมาเชื่อความคิดความนึกของตอนโดยส่วนเดียว ถ้าหากว่าตามหลักในมิจฉามรรคแล้วหมายความว่าความคิดผิดเช่นอย่างว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างนี้นะนั่นนะมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาเช่นเห็นความทุกข์ว่าเป็นสุขไปเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็เห็นว่าชาติควาเกิดมันเป็นสุขสบายไปอย่างนี้แหละ หรือว่าเห็นสิ่งที่ก็องค์เจ้าตัดว่ามันเป็นบาปก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นบาปไปอย่างนี้นะนี่เรียกว่ามันเป็นมิจฉามักทางผิดทางดำเนินไปสู่ทุกข์มันมิจฉาสังกปะดำริพิษเธอดาริส่งเสริมกามคุณเห็นว่ากามคุณนี่เป็นของดีควรซ่องเสบควร ยินดีพอใจถ้าผู้ใดไปเห็นไปอย่างนี้ดำริคิดนึกไปอย่างนี้นะนั่นก็เรียกว่าดำริผิดอันนี้ความคิดพยาบาทอาฆาตจองเวีนผู้อื่นอันนี้ก็เป็นความคิดผิดคิดอิจฉาเบียดเบียนผู้อื่นไม่ถึงกับให้ล้มให้ตาย เพียงให้เจ็บให้ปวดหรือให้เสียทรัพย์เสียสินไปอะไรหมนี้นะในความคิดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความคิดผิดทางนั้นท่านเรียก ว, ว่ามิจฉาสังกับปะความดำรีผิดไปจากความเป็นจริงแล้วก็มิจฉาวาจาการกล่าววาจาผิดเส่น ความเห็นไปว่าการพูดเท็จนี่ไม่มีโทษไม่มีบาปอืก็พูดเท็จไปเรื่อยการพูดส้อเสียดพูดคำหยาพูดเพอ้อเจ้อไปต่างาๆพวกนี้ว่าไม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษก็พูดเรื่อยปไปนี่ท่านเรียก ว, ว่ามิจฉาวาจาอมิจฉากรรมันโตทําการงานผิดเอเช่นเป็นชาวประมง ไปจับปลาจับสัตว์ต่างๆมาขายเลี้ยงคีบหรือว่าเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าทำแหละเนื้อมันขายเลี้ยงคีบหรือว่าขายน้ำเมาขายยาเบื่อขายยาพิษขายเครื่องประหารชีวิตของสัตว์เลี้ยงคีบหมเนียนั่นท่านเรียกว่ามิจฉาชีวะการเลี้ยงคีบโดยทางที่พิษ แต่ผู้ที่เห็นผิดไปแล้วมันเข้าใจก็รู้ไปว่าไม่ไม่ผิดก็ทำไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาอาชีวะอันนี้มิจฉาวายามะเพียนไปในทางที่ผิดเช่อนอย่างว่าเพียนภาวนาอย่างนี้นะถ้าพูดให้เข้ากับสมัยปัจจุบันนี่นะ ออเพียรภาวนานั่งเพ่งเพื่อจะให้เห็นตัวเลขให้เห็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพื่อจะได้ไปซื้อถูกรละลำรวยหรือเะนันก็ได้บอกผู้อื่นบ้างแต่การภาวนาเพ่งไปแบบนี้ น, ะนั่นท่านเรียกว่ามิจฉาวายาม ะ, ะเพียรผิดทาง หรือว่าเพียนพยายามส่งเสริมการกระทําความช่วยต่างๆนาน า, น า, นาหมู่นี้อะเรียกว่าเพียนไปในทางที่ผิดทั้งนั้นแหละเพียนกราบเพียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอะไรหมู่นั้นมิถาสติระลึกผิด นิสัยจิระลึกผิดในที่นี้หมายเอาระลึกไปว่าไอ้ร่างกายนี่นะมันเป็นของไม่สวยไม่งามก็ระลึกไปว่าเห็นเป็นของสวยของงามไปเออมันเป็นของไม่เที่ยงก็ระลึกเห็นว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากก็ระลึกว่ามันเป็นสุขสบายไปมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ระลึกไปว่าเป็นตัวเป็นตนไป ออย่างนี้แนะ่ะท่านเรียก ว, ว่ามิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิความตั้งใจไว้ผิดก็ความตั้งใจว่าท า, ารรบุญเอาหน้าภาวนาหวังให้ได้ลาบสักการะให้ได้ร่าได้รวยทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นภาวนาให้มองเห็น ทับในดินสินในน้ำที่จมอยู่ในดินในหินอะไรหมู่นี้นะการที่ภาวนาเพ่งไปอย่างนั้นนะเป็นมิจฉาสมาธิหรือภาวนาไปแล้วใจสงบลงแล้วอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทวดาอินพรหมอะไรหมู่นี้นะ ถ้าไปอย่างนี้แล้วก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นความตั้งใจไว้ผิดไม่ถูกทางคนทุกข์ไม่สามารถจะบรรลุถึงโลกุตระทำได้นี่แหละมิจฉามักอันมีองค์แปดประการเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละหรือสัมมามัคนั่นนะ ทางชอบทางที่ถูกที่ต้องมีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบเป็นที่สุด mm hmm. อย่างนั้นผู้ศึกษาในองค์มรรคนี่ควรจะศึกษาเข้าใจทั้งฝ่ายถูกทั้งฝ่ายผิดด้วยมันจึงจะได้รู้ว่า ตนดำเนินไปนี่นะมันถูกหรือผิดเมื่อเราได้รู้ทั้งสองทางเลยมันก็มันก็รู้ได้ถ้ามันผิดก็จะได้ละทางที่ผิดนั้นเสียถ้ามันถูกอย่างนี้ก็จะได้ดำเนินหรือข้อนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่สมควรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงสนใจศึกษา เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกคนถ้าหาว่าพูดโดยรวมๆแล้วนะมนุษย์เรานี่ที่จะได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็ดตายได้สวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้อนอย่างนีนะ้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้สัมมามักอันนีองค์แปดประการนี้เองแหละ หรือว่าย่นเข้าให้สั้นลงไปก็เรียกว่าสีนสมาธิปัญญานี้เองเมื่อไม่รู้ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ความประพฤติทางกายวาจาใจมันก็ไม่ตรงมันก็ไม่บริสุทธิ์แบบนี้นะอันนี้มันก็ออกนอกทางมนไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เช่นอย่างว่า พูดเรื่องประเภทศีลอย่างนี้นะบางคนก็เห็นว่าไม่จำเป็นหรอกเรื่องศีลเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่สมาธินู่นสำคัญอยู่ที่ปัญญาเมื่อทำจิตให้สงบได้แล้วมันก็บริสุทธ์เท่านั้นเองศีลนี่ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่ไม่เป็นไรนี่บางคนเห็นไปอย่างนี้ก็มีนะไม่ว่า แต่เคยหัดแม่พระภิกษุสามเณรบางรูปบางล่างก็เหมือนกันก็เห็นไปอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันเห็นไปอย่างนี้แหละจึงไม่ได้สํารวมในทวิีไนในกรณีพระภิกษุสามเณรบางรูปบางพวกนะนี่ในกรณไปไปสําคัญในในเรื่องสมาธิสมาธินั้นเนี่ยตามหลักปฏิบัติแล้วต้องมีศีลเป็นฐานที่ตั้ง ถ้าหากว่าฐานที่ตั้งไม่ดีแล้วสมาธิเกิดไม่ได้สมาธิถีละปิภาวิตโตสมาธิมหัพพโรมหัพพโรโฟติมาหานิตั้งโตเมื่อสินบริสุทธ์ดีแล้วก็อบรมสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละก็ถือว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ สมาธิปริธาวิตาปัญญามหพภราโฮทีมหานิสังฆาสมาธิเมื่ออบรมให้เกิดให้มีแล้วย่อมมีผลมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่คือให้เกิดปัญญาเป็นอานิสงส์นี่ปัญญาปริพาวิตังจิตตังส ม, มะเดวะอจเวเหีริมุติจิตปัญญาเมื่ออบรมจิตให้ดีแล้วย่อมวีมุต คือหลุดพ้นจากอาสวะสิเละน้อยใหญ่โดย ก, การทางป่วงนี่ถิงสมาธิปัญญานี่ย่อมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปเห็นผิดออกไปจากนี้แล้วดำเนินไปเก็บห้นทุกข์ไปได้ไม่มีทางดังที่ พระศาสดาทรงตรัสแกุ่ธุภิปริพาชกคือปริพากคนแก่คนหนึ่งชื่อว่าสุภัพพระปริพากตอนวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันปริยภานะนเข้าไปเฝ้าพระองค์และไปทูลถามข้อข้องใจในรัฐินักบวชข้างหลายในสมัยนั้น ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปข้อนี้พระองค์จะมีความเห็นอย่างไรในลทัทธิต่างๆเหล่านั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสุภะะไอข้อนั้นจงยกไว้ทรงตรัสว่าในธรรมวินัยใดถ้าหากว่าปราศ จ, จากมักมีองแปดหรือว่าศีลสมาธิปัญญานี้แล้ว ในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อมรึกเพื่อผลธรรมวิเศษอะไรเลยดังนั้นท่านจงมาสนใจในเรื่องมรกมีองแปดประการในพระพุทธศาสานานี้เถิดเมื่อสุภัตท์ปรีภาชกได้ฟังพระโอวาทของพระ อ, องค์โดยย่ออย่างนั้นก็พอจอกพอใจเรื่องใส เพราะว่าท่านเป็นผู้มีวาสนาบา ร, รมีแก่กล้าเต็มที่มาแล้วเรียกว่าอรหัตตะคุณนั้นอ่ะเพียบพร้อมอยู่แล้วนั่นแหละจึงได้เกิดเรื่มใสในพระโอวาสนั้นแล้วก็ขอบวชกับพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระอานอนท์ไปบวชให้ในนามของ菩ษาสดา เมื่อบวชแล้วก็มากราบพระองค์พระองค์ก็ทรงแนะกรรมฐานให้เมื่อท่านจําเอากรรมฐานที่พระพระองค์แนะให้แล้วนั้นท่านก็ไปเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างจเจริญพระกรรมฐานนั้นไปจนตลอดคืนนะในที่สุดก็ได้สาเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์เสด็จจับขันปรินิพาน ท่านจึงกล่าวว่าปิมสาวกเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสับคันเข้าสุภนิพพานในค่ำคืนวันนั้น อ, อันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าลทัทธิใดก็ตามที่ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะใครจะคิดค้นลทัทธิใดขึ้นปฏิปทาข้อปฏิบัต อะไรขึ้นมาก็ตามแต่ถ้าหาว่ามันมาขัดต่อมัจอันมีองค์แปดประการนี้แล้วก็เป็นอันว่าใช่ไม่ได้เนี่ยว่าไม่ใช่ไม่ใช่พราะพุทธศาสนาหมายเขาว่าอย่างนั้นแหละไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรถือเอาตามไม่ควรปฏิบัติไปตามเป็นอย่างนั้น เช่อนอย่างว่าไอการภาวนาบางแห่งเพื่อนก็สอนกันว่าให้ไปดูชั้นฟ้าสาวรรค์ให้ไปดูเทวบุตรเทวด า, าถ้าถ้าภาวนาอยากหเห็นเทวดาให้เหงนหน้าขึ้นฟ้าถ้าภาวนาอยากเห็นสัตว์นรกให้ก้มหน้าลงสู่ดินจะได้เห็นสัตว์นรกอย่างนี้นะ อย่างนี้นี่พระศาสดาไม่ได้ทรงสอนว่าอย่างนั้นเลยหลักการเจริญภาวนานะกันเนี้ยบางคนก็ไปเชื่ออย่างนี้แหละเรียกว่าศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมง่ายในหลักมถธรร ม, า ฐ, รมาฐานนั่นนะก็พระองค์ทรงสอนให้ใจอุบายต่างๆทำอะไรทําอย่างไรใจมันจะสงบลงเป็นหนึ่งลงในปัจจุบันนี่นแล้วก็ทําไปนะ ไม่จาเป็นต้องไปเ่งดูอันนั้นดูอันนี้ไปอย่างนั้นนะเพราะองค์เก้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยดูแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อไปเห็นอย่างนั้นนะไม่ได้ประโยชน์นอกจากเห็นผิดไปเท่านั้นเลอถ้าผู้ใดมาเพียยายามทำใจที่ฟุ้งซ่านเรื่อนลอยนะให้สงบเป็นหนึ่งลงไปในปัจจุบันนี้แล้วก็ลัวว่า จับต้นทางได้แล้ววันนี้นะนั่นเมื่อทำใจสงบชำนิชำนานเข้าสมาธิได้ชำนิชำนานด้วยดีสามารถบังคับจิตของตนให้นิ่งให้หนักแน่นอยู่ได้แล้ววันนี้ก็ขั้นที่สองต่อไปก็เจริญปัญญานี่แต่ว่าในระหว่างที่การเจริญสมาธิอยู่นี่นะบางคนก็ เกิดเป็นนิมิตต่างๆขึ้นมาก็มีอย่างนี้ก็เมื่อว่ามีนิมิตขึ้นมาแล้วในตาราในพระศาสดาทรงสอนว่ามันเป็นแต่เครื่องหมายหรือว่าเป็นแต่นิมิตเฉยๆไม่ใช่ธรรมของจริงอันนั้นเห็นนิมิตเห็นผู้เห็นคนนเห็นเทวดาหรือว่าเห็นสัต์ตกคนตายหรือว่าเห็นสัตว์ดุร้ายต่างๆนี่เสือช้างเป็นต้นอะไรหมู่นี้นะ มันแสดงถึงลักษณะอาการแห่งกุสนอากุสนเท่านั้นเองหรอก ม, มันเป็นอาการของจิตที่มันแสดงออกมาบางทีจิตมันยึดบาปอากุสนไว้อย่างนี้มันก็แสดงมิตรร้ายให้รู้ถ้าจิตมันยึดฝ่ายกุสนไว้มันก็แสดงเรื่องดีๆเรื่องที่น่ายินดีเพลิดเพลินนั้นให จิตได้รู้ได้เห็นไปถ้าจิตหลงอันนี้ก็เลยกลายเป็นวิปลาสไปอมันเลอย่างนั้นทั้งนิมิตทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าจิตหลงแล้วก็กลายเป็นวิปลาสไปจิตทุ่งท่าเลื่อนลอยไปสงบไม่ได้เลยแบบนี้อ่อาเดีนย้น้าจึงสอนให้รู้เท่าว่าอันนั้นเป็นแต่เพียงนิมิตเฉยๆไม่ใช่ทำอนิเศษเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอ มันไม่สามารถที่จะตั้งยั่งยืนอยู่นั้นได้ตลอดไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่เอาใจใส่กับมันนะทวนกระแสะจิตเข้ามาหาความรู้อันตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เอาสติมาประคองความรู้อันนี้ให้เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วต่อไปนิมิตเหล่านะั้นมันก็ดับไปเองมันนะไม่ใส่ใจกับมันแล้วมันก็ดับไปนี่แหละท่านจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้ชอบ เราต้องเข้าใจหลักนี้หลักนี้เราเป็นเป็นทางที่ถูกต้องต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาเมือ่อเมื่อใจตั้งมั่นโดยดีแล้วก็เรากำหนดพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้เห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงก็เห็นชัดเลยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ย เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันก็เป็นความจริงแท้จิตก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นว่ามันทนได้ยากลําบากมันทนอยู่ไม่ได้มันมีแต่แปรผันวันไว้ไปมาแล้วก็เสื่อมไปโทมไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนั้นนะนั่งสงบจิตแล้วมองดูแล้วมันก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนั่นนะแล้วแล้วอัตภาพร่างกายทุกข์ส่วนอันนี้มันรังคับไม่ได้ มันก็รู้ชัดเลยว่ามันบังคับไม่ได้จริงๆออถ้าถ้ามันบังคับได้มันก็ไม่ต้องวิบัติแปลพวนเลยอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นมาแต่เบื้องต้นนั่นมันเปล่งปลังอยู่อย่างไรมันแข็งแรงอยู่อย่างไรมีผิวพันธุ์วันณะพุทธ่องอยู่อย่างไรมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันจะไม่เสื่อมโทรมลงเลย เพราะว่าทุกคนต้องการอย่างนั้นนี่แต่แล้วมันก็ไม่ได้ตามใจหวังนี่แหละมันจึงเห็นชัดลงไปว่ามันมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่อของใครมันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันต่างหากต่งขานร่งกายต่างๆหมู่นี้ก็มันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วท่าไหนจะมาถือว่าเป็นของเราของเขาได้ฮะนี้ฮะแล้วก็ตรงก็วางลงได้เท่านั้นเองนะ นั่นแหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุธทธเจ้าในมรรคมีองแปดประการนั้นสุดท้ายก็เพื่อให้มารู้ยิ่งเห็นจริงในสังขาร น, นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นนะแล้วปล่อยวางความยึดความถือแล้วทาใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับขพาศีขันห้าอันนี้ นี่แต่กำนัรู้เท่าขันทั้งห้าอันนี้ตามเป็นจริงไปเรื่อยๆเมื่อรู้เท่าขันห้า น, นี่ตามเป็นจริงได้แล้วมันก็รู้เท่านอกขันห้านี่ออกไปมันก็รู้แจ้งเหมือนกันเพราะว่ามันมีสภาพอย่างเดียวกันไม่แตกต่างกันคือมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดนี่สภาวะของสังขารโลกสังขารธรรม มันย่อมมีสภาวะเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยดังนั้นผู้ได้สดับตับฟังธรรมบรรยายที่แสดงมาโดยลำดับนี้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างไรแล้วก็พึ่งจดจำเอาไว้ดำเนินประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้รับความสุขความสงบความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงต่อไป นั่งแสดงมาขอยุติทรงเพียงเท่านี้